ครั้งที่แล้วเนี่ยได้พูดในเรื่องของพรหมวิหารทีนี้พรหมวิหารยังยังต้องต่ออีกนะครับั้งที่แล้วนั้นยังยังไม่จบได้พูดถึงในเรื่องของเมตการเจริญเมตตาเนี่ยทีนี้ในการเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยเป็นกิจในการที่ควรจะกระทําอย่างยิ่งในคําสอนท่านกล่าวกันในเรื่องของการเจริญเมตตาเขาไว้ว่าลักษณะของเมตตาเป็นต้นนั้นนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยตรงนี้ก็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 ก็อาศัยคุณธรรมเก่าวคือศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเป็นต้นนั้นมาคอยประคับประคองทำให้เมตตานั้นเข้าถึงความเจริญรุ่งเรืองเป็นต้นดนั้นท่านถึงบอกว่ามีการนำประโยชน์เกื้อกูลเข้าไปให้เป็นรถเป็นรสะถ้าต้องการอยากจะทราบว่าเมตตานั้นเน่ะมันมีผลผลปรากฏของเมตตานั้นเป็นอย่างไรก็สังเกตได้ตรงที่ว่า มีการนำความอาฆาตออกไปเสียได้เป็นเครื่องปรากฏเช่นความอาฆาตความพยาบาทความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านความไม่สบายใจเนี่ยนะที่มันมีอยู่ในกระแสจิตของเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะท่านยังนําออกไม่ได้อันนั้นบ่งบอกว่าเมตตายังไม่มีผลแต่ถ้าหากว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันออกจากใจเราได้นะ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 โทสะเนี่ยความประทุสลายความปองร้ายต่างๆเหล่านี้คือเป็นกิตเรอเป็นเป็นเวว จ, จนะเป็นคำเป็นชื่อของโทสะเป็นชื่อของพยาบาทองคธรรมก็คือโทสะเจตสิคือโทสะจิตที่มีโทสะเจตสิกเป็นมูลเป็นประธานก็คือความหงุดหงิดพุ่งต้านความโกรธรวมไปถึงกระแสจิตที่ไม่สบายใจอะไรเนี่ยความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เกิดขึ้น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 เสียงบางเสียงเราฟังแล้วจิตเราก็ธรรมดาเฉยเฉยเสียงบางเสียงฟังแล้วเราก็ชอบเนี่ยอันนี้บ่งบอกว่าใจไม่มีเมตตาแต่ถ้าใจใจมีเมตตานเนี่ยนะฟังเสียงมันก็เจริญใจคือคือน้อมจิตไปในการที่จะปรารถนาให้เขามีสุขปราศจากทุกข์มีใจเบิกบานมันมันจะเป็นไปลักษาไหนเนี่ยเออถ้าคิดถึงใครก็โอ้รู้สึกมีความสุขเป็นอย่างนั้นไหมก็ออคิดถึงแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะเออ ใครก็แล้วแต่ที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกเราเนี่ยเรามีความสุขหมดเลยนคือมันมันบันเทิงใจอ่ะคาว่าบันเทิงใจในที่นั้นหมายความว่ามันเกิดความสุขใจเกิดความปลื้มใจเกิดความดีดีพอเรามองส่วนที่ดี ด, ดีคืราคิดเป็นไงคิดถึงใครก็อย่างยกตัวอย่างในคนบางคนเนี่ยมันมีจุดดีจุดเสียกันเยอะแยะหมดใช่ไหมแต่เขาสามารถแยกแย ก, แยกทิ้งจุดเสียแล้วจุดดีมามองแล้วเขาก็เจริญเมตตาได้เงี่ยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าฉลาดคิด บางคนเนี่ยติดขัดอยู่นี่นแหละ แ, แล้วแล้วแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆนะลองสังเกตลองไปสนทนากับคนบางคนดิคือเขาเขาทุกข์ใหญ่มากเขาเขาสามารถที่จะเอาเอาใครเนี่ยมาวิจารณ์แล้วเขาก็จะพูดได้ทุกเรื่องอ่ะพูดซะจนเรามองดูแล้วอืคนคนนี้แย่จริงอ่เนี่ยลักษณะอย่างเงี้นน ย, ย น, น, นี่เขาเรียกว่าคนคนไม่ฉลาดคิดคือคือได้ความทุกข์จากการสนทนาบางจากการคิดไม่เป็นมีความ ระ ง, งับไปแห่งพยาบาทเป็นสมบัติของเมตตานั้นคือเมตตาเวลาเกิดขึ้นมาแล้วถามว่ามันจะเป็นระ ง, งับสมบัติเออขอ้อผิดระงับพยาบาทได้นะเป็นสมบัติคำว่าสมบัตินี่แปลว่าเป็นความสมบูรณ์ของเขาเขาสามารถระ ง, งับได้ในชะ่เอาในกระแสจิตที่ผ่านมาเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็พอใจไม่พอใจเนี่ยนะ แต่พอเจริญเมตตาพออบรมเมตาเาเมตามากขึ้นมากขึ้นไอ้ตัวเมตตาจะระงับพยาบาทนี้พอใจมันไม่เป็นไปกับพยาบาทแล้วมีความสุขเนคนเนี่ยนอนก็ยิ้มมีความสุขเยอะแต่พยาบาทเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้ยนอนอยู่ก็เป็นทุกข์เป็นเงนี้ยไหยพยาบาทมันเกิดเยอะประการต่อไปก็คือว่ามีความเกิดขึ้นแห่งสินะหาเป็นวิบัติแห่งเมตตาก็คือว่าตัวเมตตาเนี่ยเขามีตัวราคาราคาเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นปฏิปักษ์ใกล้ชิดเนะ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 เลยไปชอบเลยเคยกหนัดเลยไปยินดีไปเกิดความเพลิดเพลินมีเสียหายแหละตรงนี้ไม่ดีในวิมุตติมารคในคำพีวิมุตติมารคท่านกล่าว บ, บอกว่าอะไรเป็นปัจจุบัตอะไรเป็นอะไรคือเมตตาอะไรเป็นประจุบัะธานอะไรเป็นลักษณะอะไรเป็นประทาฐานของเมตตาแล้วก็ดังที่ได้ยกตัวอย่างไว้นว่าถ้าสังเกตดยอันนี้พาทบทวนหน่อยนะไม่ยากก็คือว่าเมื่อมองดูบุตรน้อยของตน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 ไม่ใช่อย่างนั้นเราคือทาจิตของเราให้มันเข้าถึงสิ่งมรรสภเยดฉะนั้นความสงบนิ่งแห่งเมตตาอันนั้นประการต่อมาก็คือว่าการทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาปรารถนาดีให้เกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์ลักษณะความสงบนิ่งแห่งจิตในการบำเพ็ญนี้เรียกว่าปัจจุบฐานของเมตตา การทำความปรารถนาดีเกิดขึ้นเป็นลักษณะของเมตตาความคิดที่ประกอบไปได้วยเมตตาเป็นลสของเมตตาอาโทสาก็เป็นประทัตฐานของเมตตาคือต้องสังเกตให้ดีว่าอาโทสาเจตสิกเนี่ยนะอาโทสาเจตสิก ค, คำว่าอาโทสาเจตสิกนี่คือเจตสิกที่ประกอบไปด้วยคือเป็นชื่อของเจตสิก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 เป็นกิเลสในบรรดาอนุสัยกิเลสทั้งเจ็ดประการเนี่ยนะราคะเป็นกิเลสเขาเรียกเป็นกิเลสกรรมเนี่ยนะทีนี้ความรู้สึกยินดีพอใจในวัตถุกรรมคือสิ่งที่น่าปรารถนาน่าไข่น่าพอใจมีอยู่ห้าประการรูปที่น่าปรารถนาน่าไข่น่าพอใจเป็นที่ตั้งเห็นความกำหนัดซึ่งเห็นได้ทางตาเนี่ยนะเสียงที่น่าปรารถนาน่าไขา่น่าพอใจเป็นที่ตั้งเห็งความกำหนัดซึ่งฟังได้ด้วยทางหู กลิ่นที่น่าปราถนาน่าใครหน่าพอใจแล้วก็เป็นที่ตั้งเห็นความกำหนัดซึ่งจะรู้ได้ทางจมูกรสที่น่าปราถนาน้าใครหน่าพอใจเป็นที่ตั้งเห็นความกำหนัดซึ่งรู้ได้ด้วยริ้นนี่เนแล้วก็โพธภะที่น่าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่ตั้งเห็นความกำหนัดรู้ได้ด้วยกายทีนี้กิเลสคือราคะหรือที่เรียกว่าราคานูใสเนี่ยเป็นกิเลสที่มี นอนเนื่องอยู่ในขันฝังลึกอยู่ในจิตใจของตัดทุกจำพวกเพิ่งเป็นโลกิยาบุคคลอยู่เนี่ยหมายความบอกว่าเว้นพระรหัา น, นั้นเน่ะนอกนั้นมีราคะกันทึงนั้นเนี่ยแต่ว่าราคะจะแสดงออกเมื่อไหรใครจะป้องกันได้มากอย่างไรอันนั้นก็อีกอย่างดังนั้นกิเลสชนิดนี้จึงมีอยู่แก่ทุกคนนะเว้นพระรหัส น, นั้นถึงกนั้นก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความ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 เครื่องผูกมัดเนเะนี่ยส่วนตัววัตถุกรรมเนี่ยในคำภีร์โดยทั่วๆไปท่านจะบอกอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะอันเป็นที่ชอบใจเครื่องลาดเครื่องนอนเครื่องนุ่งหม่มเป็นวัตถุที่ตั้งอย่งความกำนัดอย่างใดอย่างหนึ่งนะั้นเรียกวัตถุกามวัตถุกรรมรรมีหน้าปราถนาหน้าไข่หน้าพอใจได้ แ, แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยที่เป็นของมนุษย์แต่และ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 ถ้าหากว่าเจริญเมตตาไม่ละมัดระวังให้ดีราคามันก็จะเข้ามาแทนที่เมื่อราคะเข้ามาแทนที่ตัวราคานี่ก็จะเข้ามาเกิดในใจบุคคลที่เจริญเมตตาไม่ละมัดระวังก็ไปสํสำคัญว่าใจมีเมตตาทั้งๆ ท, ที่ราคาเล่นงานอะไรั้นก็ต้องคอยระวังตัวนั้นอันนั้นเขาจึงเรียกว่าเป็นค่าศึกัา ส่วนค่าศึดไกลของพยาบาทเอของเมตตาก็ได้แก่พยาบาทคือความขัดเคืองความคิดร้ายเนี่ยพยาบาทเป็นความรู้สึกปองร้ายต้องการให้ผู้อื่นปร ะ, ประสบความทพิรุน่าเยื่ยยับอันเนื่องมาจากเทียดแค้นชิงชังเป็นต้นเหล่าเนี้เนี่ยฉะนั้นตัวพยาบาทเนี่ยเป็นเป็นปฏิปากะธรรมเป็นค่าศึกไกลของเมตตาเพราะมีลักษณะแตกต่างกันกันกบเมตตา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 ในสุมังคะวิราเสนีอธิบายถึงเหตุเกิดเหตุละและทำสำหรับละพยาบาทไว้บอกว่าเหตุเกิดของพยาบาทพยาบาทเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอโยนิโสมนสิการคือการไม่ไข้ควรการไม่พิจารณาโดยอุบายอันยียบคายเนี่ยนะเป็นปัจจัยเกิดพยาบาทเือเช่นน้อมใจไปในปฏิฆานิมิตแล้วก็ไม่มาหน้าสการโดยแยบคายเนะี่ยในที่สุดจริงๆก็หยุดหยุดจนได้ ถ้าเร า, เาไปพิจารณาหรือไปคิดถึงสิ่งใดแล้วเราไม่สิ่งนั้นทั้งๆ ท, ท, ที่มันเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจยกตัวยอย่างเช่นนะเราจะไปหาคนคนเนี้ยและคนคนนี้เราก็ไม่ค่อยชอบหน้าอยู่ด้วยเนี่ยนะแลวจะต้องไปสนทนาด้วยเนะี่ยโอ้โหถ้ามนาุษการเลยตั้งใจไปไม่ดีวันนั้นโกรธตายเลยหรืออารมณ์ใดก็แล้วแต่ที่มันไม่ชอบใจเนี่ยนะซึ่งเราไม่ค่อยชอบพอชอบใจอยู่แล้วเนะี่ย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 มีคนคนหนึ่งคนนั้นถ้าถ้าเราไม่เห็นหน้าคนนี้เสียเราคงไม่โกรธเราก็เลยไปโทษว่าเพราะเห็นหน้าคนคนนี้เราจรึงโกรธเราลืมคิดไปว่าเพราะจิตเราคิดไม่ดีเนี่ยเราจึงไปโกรธเราเราลืมลืมมองตรงนี้เพราะเราใส่ใจผิดใช่ไมถึงถึงไปโกรธ ถ, ถ้าหากเราแยกแยะในในกลุ่มของการเจริญกรรมฐานได้ดีเนี่ยเราไม่โกรธหรอก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 ทำเมตตาให้เกิดขึ้นแล้วก็มองใหม่มองเรื่อยๆนะสมมตินะในกลุ่มการเจริญเมตตาตันอี้ เ, อเราแผ่เจริญเมตตาให้ตนเองเป็นต้นนี้เนะนี่ยจนจนชัดเจนเบียเสร็จแล้วก็แผ่ไปให้คนที่เราเคารพเราบูชาแล้วก็แผ่ไปคนคนกลางๆแล้วก็แผ่ไปให้กับศัตรูกับคนที่เราไม่ชอบพอวางจิตไปที่คนที่เราไม่ชอบปุ๊บพอเมตพอโทสะมันเกิดปุ๊บต้องรีบชักหนีเนะี กลับมาตั้งไว้ที่คนที่เราเคารพเป็นต้นเองทาใจให้มันให้เมตตาเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยน้อมไป็หมปจนกว่าจะยกจิตที่ที่มีเมตตาเกิดขึ้นอย่างสูงแล้วก็มองอารมณ์ที่เราเคยโกรธจนกลายเป็นหูมีความละความปรารถนาดีความเมื่อทอนจนเสมอเหมือนกันได้เอ้ยนี่ใช้ได้แล้วก็ฝึกทํำบ่อยๆนะไม่ใช่ว่าไม่ฝึกเลยเนะี่ เราไม่ชอบหน้าก็อย่าไปคิดถึงมันเ <_ C os ic> นะ่ยวิธีการทุกวันทุกวันเขาเขาทำกันอย่างนั้นเนี่ยไอ้คนคนนี้บอกว่าอามันไม่ชอบเราไม่เราไม่ชอบมันก็ต่างคนต่างอยู่ว่างั้นก็ไม่ต้องเดินกันคนละทางก็ว่างั้นนะี่ยแล้วเขาก็คิดว่าเขาทาถูกนะอย่างนี้ก็เรื่อเจริญเมตตาไม่เป็นถ้าคนเจริญเมตตาเป็นบางทีบอกว่าเอ๊ะก็คนมันไม่ถูกกันแล้วจะไปคิดถึงเขาทำไมจะมั้งแค่นี้ยังเป็นังไงมาทำได้ ที่จริงเราก็คิดถึงเขาอยู่แล้วถึงเราไม่ชอบคนคนนี้เราก็คิดถึงเขาอยู่แล้วแต่ว่าคิดแบบไม่ชอบเราคิดทีไรเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมอ้าวล้วก็ทำไมไม่ไม่บริหารใจใหม่น้อมแผ่ใหม่แล้วก็ลองไปลองไปย่างเชิงดูว่าเออมันมันถอนได้ไหมถ้ามันถอนไม่ได้ก็กลับมาเล่นใหม่แม่พอจเจริญไม้ตา้กับศัตรูนี่หลายๆคนนีล่ลบากเลําบา ก, กใจไหมบากใจ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 อ๋ไม่ต้องเห็นตัวเห็นเห็นรถรถจอดอยู่นึกโขนขึ้นมาเนี่ยเนี่ยอนี้แสดงว่าเมตตาไม่เกิดนี้ต้อ ง, ต, องต้องเจริญต้องอบรมอ่ะเหตุเหตุแห่งการละก็คือว่าการกําหนดนิมิตในเมตตาเป็นอารมณ์กําหนดมิมิตในเมตตาเป็นอารมณ์ประการที่สองก็คือการประกอบเนืองเนืองในเมตตาคนหนึ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 แค่นี้ไม่พอไม่พอก็หมายความบอกว่าเรายืนเดินนั่งนอนก็นึกถึงใครทํากิจอะไรต่งตางๆก็พยายามเจริญเมตตาไปมากๆทีนี้การเจริญเมตตาเนี่ยถามบอกว่าออสลับกับกรรมฐานอื่นได้ไม่ได้คือการเจริญเมตตาเนี่ยเป็นสมถานกรรมฐานใช่ไหมเป็นสมถกรรมฐานทําให้จิตสงบทําให้จิตผ่องใสเราออกจากการเจริญเมตตาเราจะไปตรึกเจริญวิปัสสนาก็ได้ไปตรึก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 ยกตัวอย่างเช่นว่าเราเห็นคนบางคนก็ทําช่วยช่วยทางกายทางวาจาและทางใจที่เป็นไปด้วยกายยะทุจริตทุจริตและมโนทุจริตถ้าเราเห็นเขาทาอย่างนี้เราก็รู้ทันทีแล้วว่าคนทํากรรมเช่นใดก็ย่อมได้รับผลของการกระทําเช่นนั้นลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่ามองเห็นสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนการมองเห็นสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเนี่ยเออถ้าผิดวกเออทุกคนเนี่ย เกิดมาด้วยแรยงของกรรมแล้วก็กำลังจะไปก็ได้ผลของการกระทำท่านนั้นเช่นถ้าหากว่าเรามองเห็นคนดื่มจุราเมีอะไรเนี่ ย, ยแล้วก็นึกรู้ได้ทันทีว่าเออนี่เขาทำเหตุแห่งความเ็นบ้านนัเนไงนะหรือถ้าหากว่าเราเห็นเขากาลังทำบานาดิบาตเนี่ยเออเนี่ยทำเหตุแห่งการที่เป็นคนอายุสัน้นหรือว่าเป็นเหตุแห่งการที่จะต้องไปทุกข์ทรมานเพราะโรคภัยใ้เจ็บ เห็นคนเขากําลังรักเนี่ยทำผิดศีลข้อที่สองเนี่ยแล้วก็บอกโอ้เนี่ยจะทําให้ตัวเองวิบัติย่อยยับเพราะทรัพย์สมบัติเป็นตน้นอะ้รเนคือเราเรามองตรงนี้เราก็รู้แล้วบอกว่าการกระทำของเขาก็เป็นเหตุทําให้เขาผิดหวังและทําให้เขาสมหวังเนี่ยนะหรือถ้าหากเขาไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมเป็นตน้นอันนี้แล้วก็บอกโอ้เนี่ท่านบุ้นี้ต่อไปเขาจะเจริญรุ่งเรืองเป็นตน้นอะเนยตรงนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เบียดเสร็จเราก็ไม่จําเป็นต้องเบรกรถก็เลย พอาะถ้าเราโกรธเราก็ไปทำกรรมไม่ดี